จะฝึกในรูปแบบสักหน่อยไหมนั่งคัดสมะเป็นไหมคัดสมะขาขวาทับขาซ้ายอ้าวจะให้ดูรูปสักหน่อยเหมือนอย่างพระพุทธรูปไม่มีรูปให้ดูนะเห็นไหมฮะเห็นนะพุทธรูปพอนั่ง ขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็มือซ้อนกันเพื่อจะได้ไม่เกะกะหรือจะวางผ้าจะวางไงก็ได้นะถ้าเห็นว่ามันเกะกะเวลามือไม่รู้จะวางไว้ไหนก็วางซ้อนกันซ้อนยังไงก็ได้เอานิ้วโป้งชนกันก็ได้จะนิ้วชี้ชนนิ้วโป้งก็ได้หรือจะไม่ต้องชนก็ได้แล้วนั่งนั่งหลังตรงตรงนะทำหน้าตรงตรง ที่ให้ตรงเพราะว่าให้ร่างกายได้ศูนย์ไม่ถ้ามันเอียงไปเนี่ยแกนของหลังก็จะรับน้ำหนักมากถ้านั่งหลังตรงตรงนะโครงสร้างจะได้สมดุลนั่งได้นานแต่นั่งตรงเนี่ยไม่ต้องเกร็งนั่งตรงไม่ต้องเกร็งนั่งตรงแบบสบายๆหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นะใจก็ไม่ต้องเกร็งด้วย ถ้าจะตั้งท่าต่อไปนี้ฉันจะทำละฉันจะปฏิบัติแล้วนะตอนนี้เรียกว่ามีการปรุงแต่งระวังตั้งท่ามีการตั้งท่าตั้งท่าทางกายได้เต็มที่แล้วก็จะตั้งท่าทางจิตละที่นั่งให้ตรงเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เกลง็งแล้วก็ไม่ได้เพื่อตั้งท่าจะคราวนี้ฉันจะจ้องดูแล้วนะไม่ใช่อย่างนั้นนะนั่งเพื่อให้สบายเพราะเราจะดูด้วยท่านั่งนี้อีกนาน นั่งให้สบายทำใจสบายๆร่างกายหายใจอยู่แล้วแล้วก็ดูร่างกายนี้หายใจหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้เห็นกายนี้หายใจไม่ต้องไปจ้องที่จมูกไม่ต้องไปจ้องที่ท้องไม่จ้องนะไม่ต้องจ้องเห็นกายนี้หายใจเวลากายหายใจเนี่ย กายมันก็เพิ่มดูกายก็เพิ่มหายใจเข้าก็เพิ่มแบบหนึ่งหายใจออกก็เพิ่มแบบหนึ่งรู้เบาๆสบายๆอย่างที่บอกเมื่อกลางวันว่าให้กายนี้เป็นถ้ำจิตนี้ไม่มีตัวตนแต่อาศัยถ้ำนี้อยู่ตอนนี้จะให้กายเนี่ยเป็นที่อยู่ ดูกายนิหายใจจิตก็อาศัยอยู่ในกายนิเห็นกายนิหายใจไปเวลาดูลมถ้าเพ่งไปนะลมจะผิดปกติเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปเพ่งเห็นกายนี้หายใจปล่อยให้เป็นอิสระกายนิอิสระหายใจไปตามตามที่มันจะเป็นจะเบาจะแรงเป็นเรื่องของกายใจเราแค่รู้ไม่ปล่อยเคลิมด้วยเคลิมก็ไม่รู้ตัว ไม่เคลิ้มไม่ซึมรู้ตัวไม่เผลอไม่ลืมสติไปว่าระลึกได้ระลึกได้ว่ากายที่กำลังหายใจไม่เผลอไม่ลืม ไม่ต้องกลัวลืมลืมบ้างก็ได้ื <c> ่อ <oughs> มันลืมไปแล้ว <c oughs> มันเผลอไปแล้วให้รู้ทัน <c oughs> ไม่ต้องไปบังคับให้มันอยู่กับที่ด้วยเพียง <c oughs> แต่ว่าตั้งกติกาว่าให้กายนี้เป็นที่อยู่ตอนนี้จะดูกายหายใจถ้าไม่เห็นกายแสดงว่าลืม ก็รู้ทันว่าลืมแล้วก็กลับมาแต่ไม่ต้องไปตั้งกติกาว่าห้ามลืมไม่ใช่ห้ามลืมให้รู้ว่าลืมไปเมื่อกี้นี้แล้วก็กลับมารู้ใหม่ ตอนที่เผลอไปเนี่ยมันลืมกายกายหายใจเข้าหรือหายใจออกก็ไม่รู้เผลอแล้วรู้ทันรู้ทันก็ไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องด่าตัวเองต่อเพราะเป้าหมายเพื่อรู้เป้าหมายไม่ใช่เพื่อไม่เผลอจิตมันทำงานมันเผลอเอง มันไม่มีความสุขแท้จริงกับการดูกายมันก็ไปหาความสุขเรื่องอื่นอยากรู้อย่างอื่นเราก็แค่รู้ทันว่ามันเผลอไป ไม่บังคับด้วยนะไม่บังคับเผลอไปรู้ทันแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเครียดแล้วแสดงว่าบังคับเกินถ้าจะให้ดูอย่างไม่เครียดเติมความปรุงแต่งไปนิดหนึ่งหายใจเข้าสดชื่นหายใจออกผ่อนคลายเป็นการปรุงแต่งเพื่อให้ หายใจอย่างมีความสุขจิตจะได้ไม่เผลอไปเที่ยวบ่อยหายใจเข้าสดชื่นหายใจออกผ่อนคลายมีความสุขอยู่ทุกลมหายใจหายใจเข้าสดชื่นหายใจออกผ่อนคลาย เผอแล้วรู้คิดจะแทรกแซงด้วยการบังคับก็รู้มันน้อมไปจุดใดจุดหนึ่งก็รู้ ขณะที่รู้เนี่ยเป็นกุศลมันจะโปร่งโปรงเบาๆไม่แข็งไม่ทื่อคล่องแคล่วมีความคล่องตัวถ้าทื่อแสดงว่ารู้ผิดบังคับเอาไว้ถ้าเบลอแสดงว่าเริ่มมีโมหะปน เคลิมแสดงว่าน้อมไปจิตน้อมเกินไปเคลิมสติจะต้องตื่นรู้ไม่ใช่เคลิม แล้วรู้ไม่เครียดด้วยรู้ตื่นเบิกบานไม่เครียดเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เห็นความเผลอเป็นสภาวะอันหนึง่ง ไม่ต่อต้านแค่รู้งุดงิดก็รู้งุดงิดก็เป็นสภาวะหนึ่งไม่ต่อต้านแค่รู้ ให้กายเป็นที่อยู่เผล อ, อไปรู้ทันตอนรู้ทันเนี้รู้จิตตอนเผลอนไม่รู้ทั้งกายทั้งจิตเห็นกายหายใจคือรู้กายเผล อ, อไปขาดสติ รู้ทันว่าเผลอมีสติรู้จิตไม่อยากเผลอบังคับเอาไว้เป็นเผลออีกแบบหนึง่งเผลอบังคับ ว่าเผลอบังคับมีสติรู้อีกเหมือนกันตัวบังคับหายไปกลายเป็นความรู้ขึ้นมา ทุกครั้งที่มีสติรู้กิเลสจะดับความเผลอจะดับเผลอดับกลายเป็นรู้ทุกครั้งที่คิดความรู้ดับกลายเป็นเผลอ รู้บ่อยๆรู้ไ้เผลอขาดตอนไม่ใช่เผลอยาวแต่เผลอแล้วรู้เผลอไปอีกรู้อีกจะเห็นเลยว่ามัน มีการเกิดดับความเผลอก็ดับได้สภาวะที่มีสติก็ดับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอจิตจะเรียนรู้ว่าสภาวะต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปความติดใจพอรู้ทันก็ดับความขัดใจรู้ทันก็ดับ รู้เองก็ดับด้วยถ้าโมแต่คิดจะไม่เห็นความจริงอันนี้ถ้ารู้ว่าเผลอคิดไม่สนใจเรื่องราวดูแต่ความเผลอที่เกิดขึ้นในจิต จะสะสมข้อมูลของจริงว่ามีความเผลอเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ระดับไปแล้วพอรู้เกิดขึ้นรู้ก็ดับอีกไปตามสภาวะของจิตกลายเป็นเผลอใหม่ก็ตามรู้รู้จนเหนื่อยแล้วก็กลับมาที่กายใช้กายเป็นที่พัก เห็นกายหายใจไปขณะที่เห็นกายหายใจก็มีสติรู้กาย ดูอย่างนี้จะเห็นความเกิดดับเห็นความเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่เที่ยงจิตนี้ไม่เที่ยงเกิดดับอยู่เสมอถ้ามันยังไม่สรุปเป็นปัญญาจะสอนตัวเองเป็นการนำร่องไปก่อนก็ได้เมื่อกี้นี้ไม่เผลอตอนนี้เผลอแล้วก็รู้รู้ว่าเผลอรู้ดับไปอีกแล้วแสดงว่ามัน ทั้งเผลอและรู้ก็ไม่เที่ยงแต่ให้รู้ว่าการบอกในใจพูดในใจอย่างนี้เป็นเพียงการนำร่องเพื่อให้จิตคุ้นกับการเดินปัญญาให้มองในแง่ว่ามันไม่เที่ยงให้เห็นลักษณะของสิ่งปรุงแต่ง วารู้จักมองในแง่ไตรลักเห็นในแง่ไตรลักอย่างนี้เรื่อยๆไปใจจะมีความคุ้นชินในการมองตอนที่เกิดปัญญาจริงๆไม่มีคมไม่มีคาพูดกลายเป็นความเข้าใจขึ้นมา ควรแกเวลานะสำหรับการฝึกในรูปแบบในคําวันนี้ก่อนจะออกจากการฝึกในรูปแบบหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวขึ้นมาจอดจอดที่สองช่องจมูกหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวขึ้นม า, าใครหลับตาอยู่ยังไม่ต้องลืมมือที่ซ้อนกันอยู่นี้ทําความรู้สึกที่มือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวามาควา่ําที่เขาด้านขวา เวลามือเคลื่อนไปใจรู้ด้วยเห็นกายคือมือนี้เคลื่อนไปทำความรู้สึกที่มือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาคว่ำที่ข่าด้านซ้ายมือเคลื่อนไปมีใจรู้ทำความรู้สึกที่มือขวาค่อยค่อยกมือขวามาเตรียมพนมมือที่หน้าอกทำความรู้สึกที่มือซ้ายยกมือซ้ายมาประกบพนมมือที่หน้าอกเป็นดอกบัวตูม นึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาการปฏิบัติบูบชาการปฏิบัติเหล่านี้เป็นขอเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรยัยบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงตัดสู้เองโดยชอบบูชาพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ ซึ่งเป็นคำสอนที่ชี้นำไปสู่ความพ้นทุกข์บูชาพระสงฆ์พระอริยเจ้าทั้งหลายที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์รู้ยิ่งเห็นจริงตามพระองค์เป็นพยานในความตัสรุของพระพุทธองค์แล้วก็อุทิศบุญนี้ให้กับผู้มีพระกุณของเรา ให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตสหายทั้งหลายที่เคยอุปการะทั้งชาตินี้และอดีตชาติทุกๆชาติให้กับคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสานพิชาทั้งทางโลกและทางธรรมถวายเป็นพระเจ้กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลรรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อให้ท่านได้เป็นร่มโพร่มไทรแด่ประสงนิกรชาวไทยและเป็นศาสนูประธรมพกยกพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองในประเทศไทยนี้ต่อไปเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ประโยชน์จากการตัสรู้ของพระพุทธองค์ได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา อุติตให้กับเจ้าความในเวรเราเคยล่วงเกินใครไว้ด้วยกายด้วยวาจาหรือแม้ด้วยใจหากเราล่วงเกินผู้ใดไว้ขอให้พุ้ น, นั้นจงมารับรู้มาอนุโมทนาบุญที่เราได้ทำในวันนี้ขอบุญกุศลที่เราได้ทำแล้วเราได้ทำแล้วมีความดีใจปลื้มใจอย่างไร ขอให้ท่านเหล่านั้นจงมารับรู้และอนุโมทนาดีใจปลื้มใจในบุญกุศลที่เราทำแล้วนี้และอุทิศให้แล้วด้วยแม่เราเองถ้าเคยมีใครมาล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราก็จะไม่ไม่ผูกโกรธจะขอให้อภัยกับผู้นั้นให้เลิกแล้วจากความอาฆาตพยาบาทจองเวญซึ่งกันและกัน ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเนรยได้จองเวรซึ่งกันและกันแม้เราเองก็จะไม่จองเวรกับใครอุทิศให้กับสปปรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่มีทุกข์อยู่อยู่ในทุกติภูมิขอให้สัตว์เหล่านั้นจงมานโมทนาบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายในที่นี้พร้อมใจกันอุทิศให้หากท่านเหล่านั้นมีความทุกข์อยู่จงมานโมทนา มีความปลื้มใจปีติใจพ้นจากอบายอันนั้นไปสู่สุขติถ้าท่านมีความสุขอยู่แล้วกอให้สุขยิ่ ง, งขึ้นไปแม้เราทั้งหลายในที่นี้ก็จะตั้งใจที่จะศึกษาในถ้อยคำรรของพระพุทธองค์ศึกษาอย่างดีแล้วจะนำมาปฏิบัติเพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงในคำสอนของพระองค์เพื่อความพ้นทุกข์ของทุกๆคนในที่นี้ ตั้งใจอย่างนี้แล้วยกมือขึ้นจบที่ศีรษะ